พระบัญญัติ572ก็ขนเจียมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เดินทางไกลภิกษุต้องการก็พึงรับได้ครั้นรับแล้วเมื่อไม่มีคนนำไปให้พึงนำไปเองตลอดระยะสามย์เป็นอย่างมากถ้าเมื่อไม่มีคนนำไปให้นำไปไกลเกินกว่านั้นต้องอบัานิสักิยะปาจิตตีเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งรับขนเจียมระหว่างทางจบ